รธรรมเทศนาแผ่นที่68ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16ธันวาคม2557ห้ามีชื่อเรื่องว่าเรื่องให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่าง วันนี้เป็นวันที่ส6หธันวาคมพุทธศักราช2557หรยห้าเจ็ดวันนี้พระในวัดในวัดของเราสาบอดรูปงดฉันสี่รูปวันนี้อากาศรู้สึกอุ่นขึ้นนิดหน่อยไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานอากาศรู้สึกว่า เย็นแต่ทิศยังไงก็ไม่ถึงกันหนาวนะอากาศถ้าจะว่าไปแล้วอากาศพอดีพอดีอด <c oughs> กลางกกลางวันก็ไม่ร้อนมากไม่หนาวไม่เย็นมากแล้วก็กลางคืนก็หนาวหนาวบ้างแต่ว่าถ้าสรุปแล้วก็ถ้าได้อย่างนี้ตลอดปีนะ <c oughs> ก็คงจะดีแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกดินฟ้าอากาศ เราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้พวกเราครูบาทั้งหลายตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัท ธ, ธาญาติโยมการที่จะทำสิ่งไหนการที่จะทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความสนใจถ้าว่าทำสิ่งไหนก็ตามจะจะเป็น ทำมาค้าขายหรือว่าทำกิจการงานอะไรก็ตามถ้าทำด้วยความไม่ตั้งใจทำแต่สักว่าทำผลงานที่ออกมาก็กะ อ, อย่างนั้นอย่อางนั้นอ่ะตัวเองก็ไม่ภาคภูมิใจอีกต่างหากแต่ถ้าว่าพวกเราตั้งใจทำในจุดนั้นไม่ว่าการงานอะไรงานชิ้นนั้นจะออกมาสมบูรณ แต่ถ้าว่าพวกเราทำาโดยความไม่ตั้งใจทำไปอย่างนั้น่ะพอออกมาไม่ว่ า, าทำไร่ทานาทำรั้าทำสวนทากิจการงานทุกอย่างพอทำออกมาแล้วก็ไม่เป็นที่พอใจไม่พินที่ภาคภูมิใจเพราะอะไรเพราะทำด้วยความไม่ตั้งใจแต่ถ้าทำด้วยความตั้งใจ บุกจิตสานึกเราจะไม่ทำงานเลยหรือแต่เรากินทุกวันอย่างนั้นใช่ไหมเราใช้ทุกวันอย่างนั้นใช่ไหมเราหรือเราไม่ใช้หรือเราไม่กินถ้าเราไม่กินถ้าเราไม่ใช้เราก็ไปจาเป็นจะต้องทำการทำงานในเมื่อเรามี ยังกินยังใช้อยู่เราก็ต้องขนขวายในการทำมาหากเลี้ยงชีพอันนี้คือเป็นสรรชาตยานและวว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ชาติไม่ว่าเกิดในมุมโลกไหนไม่ว่าสัตว์ทา่ไรฉันสัตว์ที่ไนก็เถอะมันก็ต้องหาใส่ปากใส่ท้องของมันเหมือนกันเราเป็นมนุษย์เราจะไม่แสวงหาอย่างนั้น มันถูกไหมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องโอปัญญิโกคล้ายๆว่ามองตนเองให้ดูเจ้าของถ้าทุกคนทุกคนดูเจ้าของนั่นน่ะอันไหนขาดตกบกพร่องเอที่เราไม่ทําการทํางานที่เราอยู่อย่างเนี้อยู่กับพ่อกับแม่อย่างเนี้ยเราไม่อยู่ไม่กินอย่างนั้นใช่ไหมเออหรือว่าเราอยู่กิน แต่ให้คนอื่นเป็นคนทำแต่คนอื่นเขาหนักใจจนพอแรงแต่เขาไม่กล้าพูดแต่ตัวเองไม่รู้แต่อีกสักวันหนึ่งถ้าเรามีเป็นหัวหน้าเขาท่านลูกหัวลูกน้อ ง, องเขาทาอย่างเราในที่เราทำมาตะขอนก่อนเก่าเรามีความรู้สึกอย่างไรต้องรู้สึกแรืทนลยก็ตามที่จริงเราทำไม่ถูกในช่วงนั้นฮะ นี่แหละอันนี้แหล ะ, และคือการวางตัวสรุปแล้วคือการวางตัวในการเป็นอยู่ในที่ทุกสถานเราต้องมองในการอยู่ด้วยกันนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าอิทธิบาทคือเครื่องที่จะทําให้สําเร็จสมความตั้งใจหรือว่าสมความปรารถนาหรือว่าอย่างที่ งานทุกอย่างที่จะเป็ น, ปนไปได้ดีต้องมีอิธิบาทเป็นเครื่องนำหรือเราจะท่องสาธยายหรือไม่ต้องทาสาธยายแต่ถ้าว่ามีคุณธรรมอิธิบาทอยู่ในจุดนั้นบางคนไม่คำว่าอิธิบาทไม่รู้จะด้อยซ้าไปแต่เขาทำในเครือข่ายอิธิบาทเรื่องนั้นก็สาเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาของเขาได้อิธิบาทคืออะไร คือเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะคือความพอใจในหน้าที่การงานเราจะทำงานสิ่งไหนเราพอใจในทํางานวิริยะพยายามเพียนถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพียนพยายามจะทำให้สำเร็จจิตตะเอาใจฝักไว่เอาใจใส่ใจในเรื่องนั้นมันมีปัญหาอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้คือเอาจิตใจสดจดจอ่อ ดูการงานนั้นวิมังษาไตรตรองเหตุและผลทำไมมันมีเหตุอย่างนี้ทำไมมันมีผลอย่างนี้ทำไมมีผลอย่างนี้มันมาจากเหตุไหนทาไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยการกลองหาเหตุและผลมันมีเหตุซะก่อนมันจึงมีผลถ้ามันมีผลดีเออก็แล้วไปก็เป็นที่ภาคภูมิใจแต่มันเหตุมันเป็นผลออกมาทางไม่ดีเป็นทางลบนะ เราต้องค้นหาเหตุว่าเหตุที่มันออกมาอย่างนี้มันขาดทุนอย่างนี้มันเสียหายอย่างนี้ใครมันเป็นเพราะอะไรทํำไมเนี่ยนะวิมังสาไตรตรองเหตุและผลอันนี้เรามาใช้ได้ทั้งทั้งคดีโลกและคดีธรรมทั้งคดีโลกก็คือเรื่องของโลกการเป็นอยู่เราก็ต้องมีอิทธิบาทเหมือนกันเอฉันท่า <c oughs> หน้าพอพอใจในหน้าที่การงาน เราทำหน้าที่การงานอะไรให้มีฉันทะคือความพอใจดูถ้าคนไม่พอใจในที่การงานทําแต่สักว่าทำํทำทําแบบชังกระตายอย่างนั้นพวกเราคิดดูให้ดีสิผลงานจะออกมาอย่างไรเสียหายถ้าไปอยู่กับบริษัทห้างร้านไหนไปอยู่กับใครอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในชุมชนกลุ่มใดทําอะไรทําเพียงแต่สักว่าทําทําแบบชังกระตาย สุมชนกลุ่มนั้นะเดี๋ยวไม่นานเจ๊งทํามีคนมากๆทําในสํานักงานเพราะฉะนั้นเราที่จะทํางานจึงไหนถ้าเมื่อเราทํางานเราต้องตั้งใจทําถ้าเมื่อเราไม่พอใจหรือว่าไม่เห็นผลที่งอกเงยเราจะอยู่ทําไมเราก็รีบออกออกซะอยู่ทาไมอยู่ให้ขวางเขาทําไมมีตะบนอู้อี้อยู่ตลอดอย่างนั้นมันไม่ถูก เพราะนั้นสันทะคือให้พอใจในหน้าที่หรือการทำงานของตนเองสันท่วิริยะพยายามเพียรพยายามในการทำการทั้งวันจะทำยังไงจึงจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอันนี้ไปได้จิตตะเอาใจฝักใฝ่คิดดูมันมีเหตุมีผลยังไงวิมังสา ก, กันไตรการครองไตรตอง อันนี้คือเรื่องคดีโลกส่วนคดีธรรมก็เหมือนกันคดีธรรมก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเขามาบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อเขามาบวชแล้วหน้าที่ของเราคืออะไรเมื่อเราเป็นนักพจนักบวชเป็นพระอย่างโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้มีฉันทะคือความพอใจในการเป็นนักพจนักบวชนการประพฤติปฏิบัติของตนเอง เราทำยังไงรักษาศีลอย่างไ ร, ร, งไรปฏิบัติตนอย่างไรในหลักธรรมคำสอนเป็นที่ยอมรับของหมู่คณะเป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้ดูแลพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเรามาอยู่แต่สัก่าอยู่เป็นไม่ได้สนใจไม่ได้ไม่มีความตั้งใจไม่มีฉันทะคือความพอใจ มาอยู่แบบชังกระตายไปอยู่ที่ไหนก็พูดที่ให้อยู่แล้วกากลุ่มที่อยู่อืดอัดไปทั่วทุกแห่งหนนี้ก็พวกเราที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นไม่ได้พูดให้บุคคลใดใครผู้หนึ่งถึงเราจะไปอยู่ในโลกพระอาทิตย์พระอังคารไหนก็ตามโลกประเทศไหนก็ตามชุมช น, นกลุ่มใดก็ตามต้องคิดต้องคิดคิดไว้ในใจ ให้มีฉันทะคือความพอใจวิริยะพยายามทําตนให้เป็นคนดีพระดีให้ดีที่สดุดในความรู้สึกของเราอย่าไปเกลียดค้านในหน้าที่การงานของความเกลียดค้านความมักง่ายดยความเห็นแก่ตัวนะไปอยู่ในสถานที่ใดใครก็ไม่ชอบทางนั้นนะอันนี้ไปว่าจิตตะให้เอาใจฝักไฝ่ สันทวิริยะมีความภาคเพียรพยายามเพียรเพื่อประกอบคุณงามความดีจิตตะเอาใจฝักใฝ่วิมังษาการกรองไตรตองเหตุและผลนี่เมื่อเรามาอยู่ไปอยู่นสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดมาอยู่เป็นพระกรรมฐานอย่างเราครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรให้เราประพฤติปฏิบัติอย่างไรนี่แหละให้พวกเรา ใช้วิมังษาการกรองไตรตองเหตุและผลแต่พวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตเียพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านบอกว่าเรื่องกิเลสกับธรรมเนี่ยมันเหมือนกดกฎหมายกับพวกทาผิดกฎหมายพวกทาผิดกฎหมาย เ, เขาก็ปกป้องของเขาอย่างสุดๆเหมือนกันจะทำอย่างไงกฎหมายจะไม่เข้ามาเล่นงานเราได้หลีกเลี่ยงกฎหมายอย่างไร แต่กฎหมายเด็กก็พยายามเดินเข้าไปเพื่อจะดึงสิ่งนั้นเข้ามาให้มันถูกกฎหมายนี่แหละกิเลสกับธรรมกัลักษณะอย่างนั้นอ่ะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบให้ฟังคือกิเลสเนี่ยถ้าจะเดินจงกรมมากมันก็เอาละพอละถ้าจะนั่งภาวนามากเออเอาละพอละถ้าจะพิจารณากรรมฐานเข้าไป นานๆโอเอาละพอละให้ใคลายมันปกปิดปกปิดคุณงามความดีของตนเองปกปิดไม่ให้ทมเข้าสู่จุดนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเรามีบารมีหรือว่ามีบุญกุศลในจิตในใจเราอย่างดูเหตุดูผลดูตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนว่กกิเลสภายในใจของเรานี่นะมันเป็นยังไง หลกักธรรมที่เราจะเดินเข้าไปสู่จุดนั้มทอย่างไรถ้าเราการกรองไตรต้องด้วยเหตุและผลนะอล้เราควรจะเดินช่ำละตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะาสมสาเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนานะอันนี้แหละอยากจะให้พวกเราทุกท่านนะเรื่องตัวนี้แหละเรื่องขยื้อกันนะความดีกับความชั่วนะ ถ้าว่าพวกเราทําแต่ความดีความทำแต่ความชั่วโดยที่ความดีน้อยแปลว่ากิเลสภายในใจกิเลสชนะชนะความดีแต่ถ้าว่าพวกเราทําความดีความดีชนะความชั่วคือความดีชนะกิเลสกิเลสคือความชั่วในหลักธรรมคาสอนของครูบาอาจารย์ที่องค์หลวงตามหาบัวน ท่านพูดพวกเราจะได้ยินทุกกันที่ลงตายจะพูดแล้วเรื่องกิเลสกับธรรมกิเลสกับธรรม ก, เกิเลสกิเลสก็คือราคะโทสะโมหะโลภโกรตหลงอันนี้คือกิเลสเธรรมก็คือธรรมที่จะชําระกิเลสภายในจิตใจของพวกเราจะเอาชนะยังไงเอาชนะความขี้เกียจเอาชนะความเลวเอาชนะความโลภโหโมกนาะราคะโทสะโมหะของเราออกจา ก, กจิตใจได้ มีทำจุดไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของอพวกเราจะต้องกลั่นกรองไตรตรองพิจน า, นารณาด้วยเหตุ ด, ด้วยผลนะกเมื่อพวกเราพิจน า, น า, ารณากรันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วนั่นแหละเราจะวางเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในจุดนั้นๆจุดเรื่องนั้นนั่นแหะขอให้พวกเราทุกๆท่านคนะณะทศไทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ให้พยายามทําจิตใจให้สงบภาวนาดูสิ พยายามเร่งความเพียรทดลองดสินั่งให้นานดูสิอใหม่ๆแล้วก็นั่งสักยี่สิบสามสิบนาทีต่อไม้เอาถึงชัวง่วโมงอแต่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดเฉลยมันเป็นไปไม่ได้นะลูกหลานนะนั่งภาวนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดเป็นไปไม่ได้อมันต้องเจ็บต้องปวดอันนี้เป็นธรรมดาเพราะเรามีธาตุมีขันอยู่จะไม่ให้เจ็บให้ปวดเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ เราไปนั่งอยู่ที่ไหนทําการงานที่ไหนมันก็ต้องมีแต่ถึงยังไงเราต้องขันติคือความอดทนเป็นพื้นฐานพยายามนั่งแต่ทําที่แรกเรานั่งไม่ใช่นั่งเอาเวลานะอาพอเรานั่งเราก็ต้องตั้งเวลาก่อนก็ได้ใหม่ๆนะตั้งเวลาดูได้เวลาเท่าไหร่เรานั่งแต่พอเรานั่งนานๆแล้วแต่เนี่ยเราไม่ต้องตั้งเวลาแล้วเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้เอาเวลาเราไม่ได้นั่งเอาเวลานะ เอานั่งเอาดูธทมเข้าสู่จิตใจแต่ใหม่ๆถ้าไม่มีการบังคับจะเลยนะอะพอนั่งเข้าไปก็เออนั่งเข้าไปไม่ถึงสิบนาทีนะ่ยมันเหมือนชั่วโมงนะคณะลูกหลานนะเะพราะเหตุไรเพราะมันกิเลสขยือ้อย่างที่ว่านะ้วยนะกิเลสมันปกปิดเอาไว้ไม่อยากจะให้คุณธรรมศีลธรรมสมาธิธรรมเข้าไปเข้าเข้าไปถึงหลังของมันฮนะหลังกิเลสฮน ะ, ะมันต้องปกปิดอมันต่อต้านฮนะ แต่ทิ้งยังไงเราก็ประกอบคุณงามความดีคุณงามความดีนี่แหละจะหาทำให้พวกเราไปสู่ความสุขความเจริญกิเลสนะั้นมีแต่ทางทาให้จิบหายวายปวงมีแต่ไหลลงไปทางต่ําถ้าเราส่งเสริมรูสิส่งเสริมกิเลสลาานะ่าฆ่าเป็นยังไงส่งเสริมโทสะแนละ้วเป็นยังไงส่งเสริมความโลภแล้วเป็นยังไงมีแต่ความเดือดร้อนคุนวายทุกหัวและแห่งแต่ถ้าพวกเราชําระ จิตใจของเราตัดราคะโทสะแล้วก็ตัดโมหะโลภโกรดหลงในจิตในใจได้บริสุทธิ์หลุดพ้นกันเป็นพระหันนี่แหละอันนี้คือจุดใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นัารขอให้พวกเราทุกๆท่ทานคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานทุกคนมุ่งมั่นต่อคุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดี มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะหญ่พา่ากรรมชั่วให้ผลนะเพราะนั้นให้พวกเราทำแต่กรรมดีต่อนนไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร ว, วันนี้ก็ให้แนวความคิดสําหรับพวกเราทุกท่านฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใชไใ้ไปในทางที่ถูกต้อง ไปในทางที่เป็นธรรมทาวัดใช้ฉันทะวิทยะจิตตะวิมังสาไปในทางกิเลสไปสุดตงเหมือนกันนะคณะสัทธายาธโยมลูกหลานนะ <c oughs>